ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโภตธนิยกถาคือกล่าวธรรมะแนแนวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายที่มาสู่สำนักของหลวงพ่อหรือว่าเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราที่เคยปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งวันนี้เป็น วันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2553เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน8เมื่อวันเพ็ญที่ผ่านมาเป็นวันเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเข้าพรรษามาได้8วันนี้เป็นวันแรกของการ รักษาศีลหรือว่าสมาทานศีลอุโบสถที่พวกเรามาวัดรู้สึกว่าหลวงพ่อมองดูทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาทุกวัยหลวงพ่อเห็นแล้วก็อบอุ่นพอพวกเราท่านทั้งหลายให้ความสนใจใยธรรมะหรือว่าพวกเราอาจจะมีมาครั้งแรก ก็ได้แต่ถึงยังไงหลวงพ่อเห็นแล้วก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้สนใจไฝ่ธรรมะให้รักษาศีลอุโบสถตลอดไตรมาสสามเดือนคือสามเดือนที่พวกเราจะรักษาทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำสามเดือนกับเพียงสิบสองวันเท่านั้นเองแต่นี้พวกเราท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ หลวงพ่อเห็นแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจในหลักของพระพุทธศาสนาแต่ถึงยังไงที่หลวงพ่อบอกกล่าวให้พวกเราสมาทานศีลหรืว่ามารักษาศีลหรือว่ามาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อมองดูและไม่ใช่ผลประโยชน์หรือไม่ได้เพื่อหลวงพ่อเพื่อพวกเราท่านทั้งหลาย ใครกินก็ใครอิม่มใครปฏิบัติก็ใครได้ใครศึกษาก็ใครรู้ใครสร้างก็ได้คนนั้นก็ได้บุญเหลวงพ่อไม่ได้เป็นผู้ได้บุญกับพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อไม่ได้ความสุขด้วยท่านทั้งหลายถ้าพวกท่านทั้งหลายได้ถ้าพวกท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้า พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสัง่งสอนพวกเราทั้งหลายก็ได้เองหลวงพ่อก็ไม่ได้อย่างพวกท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อทำเองหลวงพ่อก็ได้เองก็มีไม่มีการเฉลือเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้แก่พวกท่านแต่ถึงจะเฉลือก็ค่ายข้าว่าเป็นผู้แนแนวทั้งเองข้าไปเจ้าขุดทองอย่างนี้นะไดทองอย่างนี้ไ ด, ไดเพชรนินจินดาอย่างนี้นะใ ห, ให้พวกท่านทั้งหลายทดลองขุด ทองอย่างข้าพเจ้านะมีแต่แนะนำสั่งสอนท่านเองผู้ที่ได้ก็คือแต่ละคนลงมือประพฤติธปฏิบัติเอาเองเหมือนกับเราเรียนหนังสือถ้าเราเรียนหนังสือใครเป็นคนได้คนอื่นจะไปเรียนหนังสือแทนก็ไม่ได้มันใครเรียนกับคนนั้นได้หนังสือใครออกกำลังกายคนนั้นก็ได้กำลังเราจะไปออกกำลังกายแทนกันก็ไม่ได้เราจะไปทานอาหารแทนกันก็ไม่ได้ สิ่งที่มันแทนได้ก็มีแต่สิ่งที่แทนไม่ได้มันมีนะเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันขอ ใ, ให้พวกเราท่านทั้งหลายติดแนวแถวอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวถ้าเป็นไปได้กันในพรรษานี้แ็จะให้พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติคงเส้นคงวาเพราะสามเดือนกับเพียงสิบสองวันเท่านั้นเองให้เข้ามาเจ็ดวันอาบน้าครั้งหนึ่ง ํำระกายวาจาของเราครั้งหนึ่งคือรักษาศีลรักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวศีลถ้าผู้ใดมีศีลในจิตในใจในการประพฤติธปฏิบัติแล้วผู้นั้นจะมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นจุขเป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายเป็นที่ยอมรับของลูกหลานของเราว่าปู่ย่าตายายของเรา เข้าวัดเข้าวารักษาศีลไหวพระภาวนาก็เป็นเกจิคุณสําหรับเราและก็ลูกหลานต่อไปนานเท่านานนี่แหละหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมเข้าสู่วัดวารศาสนาเข้าสู่ศีลธรรมจะร่มเย็นเป็นสุกนานเท่านานความสุขนั้น กับอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไม่ใช่หลงพ่อเป็นของพวกเราเองเหมือนกับเราเราอาบน้ำก็เราก็เย็นกายเองไม่มีใครที่จะเขาใครอาบก็คนนั้นก็เย็นกายเองกายสะอาดเองฮอกายหมดจบเองผุดพองสายเองไม่คุกฝุ่นอันนี้ก็เหมือนกัน่ะถ้าเรารักษาศีลคือรักษากายวายจาให้เรียบร้อย กายของคนนั้นก็ไม่มีโทษวาจาของคนนั้นก็มีแต่คุณนะวันนี้คณะสงฆ์คณะสัตยาติโจมก็ได้ไปกราบคารวะองค์หลวงตาคือเข้าบรรษาแล้วก็มีการนัดกันไปคารวะหลวงตาคือเจ้าคุณปู่วัดโพธิสมพรพระอุดมญานโมรีแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดอุดร ได้ประกาศให้คณะจัทธาญาติโยมลุพระสงฆ์ไปเข้าไปกราบคารวะหลวงตาเข้าไปก็รู้สึกว่าพระมากวันนี้ทั้งหมดพระหลวงพ่อวานต้องสามพันกว่าแน่ๆนปีที่แล้วเนี่ยก็อย่างนี้แหละปีทีนี้ก็เห็นเนี่ยก็ล้นสาลาเลยเ่มือนนมากระทั่งมุกดาหารนครพนม่ในละแวกนี้ร้อยเอ็ดมหาชลาคามกาลสิน จังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดอรหนองคายแสกลนครมาพร้อมหน้ากันลวนวงั้นเละมาเป็นส่วนมากเลยเห็นนที่เห็นเห็นเห็นรู้รู้โอ้พระมามากจริงๆวันนี้แต่หลวงตาท่านก็เทศอบรมสั่งสอนลูกหลานโอ้ท่านก็เทศยาวเหมือนกันหาฟังได้ยากที่ท่านจะเทศ แต่ตอนเช้าท่านโดยมากท่านก็นเทศเพียงห้านาทีสิบนาทีก็พอแรงแล้วท่านเหนื่อยแต่วันนี้หลวงพ่อว่างไม่ต่ำกว่าสามสิบนาทีนะล ง, ลงตาเทปวันนี้ถืออาจจะกว่าก็าไม่รู้ล่ะอท่านเทศยาวทีเดียวมีแล้วก็มีเนื้อหาสาระอในการอบรมอีกต่างหากเทปอย่างเข้มแข็งอีกต่างหากทั้งที่อายุของท่านก็เก้าสิบเจ็ดปีแล้วอวันที่สิบสองสิงหาเนี่ วันนี้ก็เป็นวันที่3สิงหาวันที่12สิงหาเนี่ย97ปีเต็ม่ากนั้นก็98ย่างละแต่ท่านพูดชัดเจนอ้ข้าบ่ถ้าจะว่าไปขาว่าความจำของท่านเนี่ยพูดมีเหตุมีผลในเนื้อหาสาระไอ้ดีมากพูดอย่างนั้นได้ หลวงพ่อก็นั่งอยู่ข้างๆท่านนั่งฟังเสียงดังฟังชัดที่ท่านพูดออกใหม่แล้วท่านบอกว่านี่นะพวกเราเป็นชาวพุทธจะคิดจะทำอะไรให้คิดให้ไตรตรองด้วยเหตุโดยผลให้มีเหตุมีผลอย่าไปทำด้วยอารมณ์สัญญาความไม่พอใจความโกรธโมโหโทโสถ้าเราใช้อารมณ์โมโหโทโส เข้าหากันเหมือนกับหมากัดกันทันมานะหมาบ้านหมาวัดถ้าอยู่ข้างนอกก็คือหมาบ้านถ้าอยู่ในวัดก็คือหมาวัดผลที่สุดกัดกั น, กนโนเนียไปหมดมันไม่น่าดูนะมันไม่เป็นที่ยอมรับผู้ที่มีศีลมีธรรมเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะให้ ปฏิบัติธรมให้มีเหตุให้มีผลให้ให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็การเป็นอยู慢慢 land, อย่ทุก อ, อย่างอย่าเป็นผู้ปิญญาเป็นผู้ฟุ้มเฟือยฟุ่งเฟือยฟุ้งเฟือฟุ่มเหอะเหิมกับด้านวัตถุจนเกินไปมีอะไรของในเมืองของในโลกเนี่เขาไปกล้าใช้ของใช้ทั้งหลายมาเต็มอยู่ในเมืองไทยนี่หมดเมืองไทยซื้อหมด ของอะไรมาแล้วก็การใช้ชูรุ่ยชูไล่พุ่งเฟือยคือนิสัยคนไทยเพราะนั้นปลูกหลานลูกหลานทุกคนนะ้าติดใจใช้ใ จ, จา่จจายอะไรต้องคิดให้ดีอย่าให้เกินตัวแล้วก็เงินของตนเองที่หามาด้วยความยากลำบากนั้นอนะ่ะถ้าเราใช้ไม่รู้จักประมาณมันก็หมดได้เหมือนกันนะหลงตาเทศลักษณะนี้แนหะจากนั้นก็อย่าลืมศีลธรรม ให้ประพฤติศีลให้มีศีลมีธรรมในจิตในใจให้เป็นผู้มุ่งมั่นในศีลในธรรมาการประพฤติตนอย่าฟุ่มเฟืยเอยการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงะท่านเน้นะเองนะแต่งตัวเนี่ยเห็นอะไรต่อมืออะไรถกับว่าไปโอ้โหชัดเจนเหมือนนะแต่ตัว น, นี้แต่หลวงพ่อมาอยากจะว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไม่กล้าว่าแต่หลวงตาท่านอายุมากได้ท่านว่าได้หมดเหมือนกนอะ หลวงตาท่านว่าได้หมดทุกอย่างว่างั้นแต่ถ้าหลวงตาท่านพูดได้ก็เป็นธรรมฟังดูแล้วอืมเป็นธรรมว่างั้นแต่ท่านไม่ได้พูดให้แก่พูดผู้นั้นผู้นี้ถ้าใครทําอย่างนั้นแปลว่าผิดเอมันไม่ถูกตามวัฒนธรรมไม่ถูกตามทํานองครองธรรมไม่ถูกตามกฎประเพณีของชาติบ้านเมืองที่พวกเราเอรักษากันมานมนานดูแล้วก็สบายตาสบายใจ ที่พวกเราได้พบได้เห็นแต่มาถึงยุคสมัยนี้แล้วเอมันไม่สบายใจพอไม่สบายใจเนะี่ยมันก็มีเรื่องเอามันล่อแหลมมันมีเรื่องพอมีเรื่องขึ้นมาแล้วใครล่ะเอามันทุกข์ยากลําบากไปทั่วทุกหัวและแหงเทน่นี้เอามันไม่ใช่แต่เฉพาะคนนั้นมันทั่วประเทศชาติบ้านเมืองมันสลวนวุ่นวายกันไปหมดเพราะเหตุใดเพราะคนในชาติไม่รู้จักประมาณตัว การปุ้มเฟ้อฟุ่มเฟยการแต่งเงือ่อแต่งตัวไม่รู้จักการเทศการสถานที่บุคคลนะที่หลวงตาพูดในวันนี้จากนั้นท่านก็สอนพระให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าให้อยู่ในกฎให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในวินัยนท่านก็พูดได้ดีวันนี้พูดนานนี่แหละวันนี้ที่หลวงตาได้พูดต้วนแล้วจะเป็นกติ ทำสอนลูกสอนหลานเอสอนโลกสอนชาวโลกเหมือนกันเถอะสรุปนิสิตให้โลกทั้งหลายอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีฮะสรุปแล้วแล้วก็วันนี้ก็พอจากนันก็ทําวัดคารวะหลวงตาจากนันกเจ้าคุณปู่ทำโมลีพระอุโรมญานโมลีเจากก้าปู่ปุณปูวัดโพท่านก็ เล่าประวัติความเป็นมาทําไมจึงได้พบหลวงตาพบกันที่ไหนครั้งแรกท่านก็พบเพราะหลวงปู่วัดโพนี่ยท่านอยู่จังหวัดขอนแก่นท่านก็เลยเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ไปพบกันที่จังหวัดเชียงใหม่วัดเจดีหลวงอหลวงตามหาบวกขึ้นไปไม่ได้เตรียมมุงไปด้วยแต่เจ้าคุณวัดโพท่านมีมุงไปสองหลังะท่านถือขึ้นไปก็มอบ มุ่งหลังนั้นให้แก่หลวงตาหลวงตามหาบัวเนี่ยนอนให้ยุงกัดอยู่หลายวันอย่างั้นท่านได้มุงจากนั้นก็เลยรู้จักมักคุ้นกันอายุของหลวงปู่วัดโพนี่ยแก่กว่าหลวงตาสองปีว่าแก่กว่าสองปีท่านหลวงตาเก้าสิบเก้าสิบแปดนะหลวงปูวงป่วัดโพนี่แก่กว่าร้อยเราอย่างนั้นเถอะย่างเข้าร้อยปีเราอย่างั้นเถอะแต่เดี๋ยวนี้หลวงตา เก้าสิบเจ็ดหลวงปู่วัดโพก็บเก้าสิบเก้าเนนเอะเออนี่แหล ะ, ะแต่วันเกิดของหลวงตาเนี่ยสิบสองสิงหาแต่ของหลวงปู่วัดโพนะวันที่สิบตุลาเนะ่ยอ่าที่สิบตุลาเดือนตุลาวันเกิดของหลวงปู่วัดโพนเะนี่ยท่านก็ไปมาหาสู่ท่านก็พูดอโดยความตันตื่นเหมือนกันแต่ท่านบอกวันหลวงตาเนี่ยเป็นผู้มี บุญวาสนาบารมีส่วนท่านไปทางปกครองแต่หลวงตามหาบัวนี่ท่านมาปฏิบัติเป็นกรรมฐานท่านชําระกิเลสจนท่านบริสุทธิ์ปลดผ่องห ล, ลุดพ้นแต่ท่านไปทางฝ่ายปกครองอฝ่ายบริหารดูแลพระสงฆ์ท่านก็พูดแล้วก็การสงเคราะห์อนุเคกข์หลวงตามหาบัว ได้ช่วยวัดโพมากมายหลายหล า, ยหลายอย่างที่ใหม่ๆนี่ก็คือได้ช่วยะทั้งทีละเจ็ดล้านก็มีลนทอดกรินให้เพื่อสร้างเจดีย์ก็มีเพื่อสร้างศาลาในวัดโพที่สมพรลุงตาท่านสงเคราะห์ลุเคราะห์สรุปแล้วคือท่านพูดเล่าประวัติที่ลุงตามหาบัวทําคุณประโยชน์ให้แก่วัดโพที่สมพรเพราะวัดโพที่สมพรนั้นเป็นวัดพระอุปราชของหลุงตา คือเจ้าคุณปู่ธรรมะเจดีเป็นพระอุปชาของท่านเพราะนั้นท่านจะไม่มองข้ามอันนั้นคือพัดพระอุปชาของท่านอาท่านก็ต้องดูต้องแลต้องให้ความเคารพวันนี้ท่านเจ้าคุณปู่วัดโพธิสมพรก็เล่าประวัติอการที่ได้เกี่ยวข้องกับองค์หลวงตามหาบัวก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่นะนั่นก็ เราดึกทาวัดคารวะเสร็จแล้วก็เน่ยได้แยกย้ายกันกลับหลวงพ่อก็รีบมาเหมือนกันเพราะวันนี้วันนี้เป็นวันพระนะได้ลกลับมานี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายพวกคณะศรัทธาญาติโยมนะวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็ดึื่องศีลเนี่ยหลวงพ่อก็แนะนําบอกกล่าวเรื่องศีลนี่พวกเราคงรู้รู้กัน แต่บางครั้งหลวงพ่อก็อจะไดย้ย้อนพูดจะท้อนย้อนกลับให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอย่าชะล่าใจเน้อเรื่องศินไอ้ฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันไอพวกลูกศิษย์ลูกหาน้องนุ่งทางหลายพวกพระอย่าชะล่าใจเน้อเรื่องศินให้ทำอกตั้งใจรักษาศินให้บริสุทธิ์ผุดพ่องเมื่อสินดีแล้วจะทำสมาธิก็เป็นสมาธิที่แท้จริง เป็นสมาธิได้ง่ายแต่จะเดินทางวิปัชนาเดินปัญญาก็เป็นปัญญาไปได้ราบรื่นเพราะฐานดีพอฐานดีพอฐานดีขึ้นมาแล้วปลูกอะไรขึ้นมาก็มั่นคงนี่ก็เหมือนกันคณศสัตยา ญ, ญาติโจมก็ชินเดียวกันในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็สอนคณศสัตยา ญ, ญาติโจ็คือฐานเน่าพอทานทั้งหลาย เป็นฆราว า, ญาสญาติโยมแสวงหาทรัพย์เมื่อสะสะแสวงหาทรัพย์ได้แล้วอย่าลืมพ่อแม่อย่าลืมญาติผู้ใหญ่อย่าลื ม, ล ม, ลมพวกที่ตกทุกข์ระยากอย่าลืมทําบุญทําทานเนอะแต่แบ่งอยู่แบ่งกินแบ่งใช้ก็จะไปใช้แบบชุรุ่นชู้ไล่อย่างที่หลงตาหมาบัวท่านพูดนั่นแหละแต่แต่รู้จักแบ่งรู้จักใช้ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บ เก็บยังไงใช้อย่างไงจริงจะถูกต้องจริงจะเป็นธรรมอย่าไปใช้แบบลืมตัวอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของฆราวาสมีมากที่สอนฆราวาสประพฤตนอย่างไรควรทำตนอย่างไรอย่างฆราวาสธรรมหรือว่าตระกูลอันมั่งคั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานหรือว่าทิฏฐธรรมไม่กตรประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบัน สัมป ร, รายกับประโยชน์คือประโยชน์ในภายภาคหน้าไงอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนพวกอุบาสอุบาสิกาฆราวาสธรรมธรรมของฆราวาสให้มีสัจจะสัจจะให้มีสัจจะต่อกันคนที่จะอยู่ด้วยกันที่จะเป็นสักเป็นสีการพูดจาพาทีต้องมีสัจจะไม่ใช่ว่าพูดตลลอะไรแหละหลบหลบเลี่ย ง, ยงพูด วันแรกก็พูดจริงพูดจังพอต่อมาที่มองเราเห็นจะเห็นผลประโยชน์หรือว่าจะเสียผลประโยชน์สำหรับตัวเองแล้วก็หลบหลบหลีกเลี่ยงหาความชัดจริงไม่ได้คนเช่นนั้นจะหาความเชื่อถือในหมู่ในคณะหรือผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือลูกน้องของเขาจะให้ไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความยำเกรง ถึงตัวเองจะร่ารวยขนาดไหนก็เถอะถ้าว่าคนไม่มีสัจจะแล้วไม่น่าคบไม่น่าเชื่อถืออีกสักวันหนึ่งไม่รู้เราจะเบี้ยวหน้าเบี้ยวหลังไม่รู้จะหักหลังเราเมื่ อ, อไหร่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคนเราต้องมีสัจจะนี่หลักของพรทศาสนานสัจจะให้มีความจริงจังและจริงใจพูดรับปากรับคําแล้วก็ต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ต้องมีเหตุผลเอที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ มันปลอเป็นหวนี่นี่นะออที่เราสัจจะไปแล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นะก็ต้องมีเหตุผลในการที่ไม่ไม่ทำไม่แค่ว่ารับปากไปรับไปเรื่อยอันนั้นแปลว่าขาดความไม่น่าขาดความเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นสัจจะคำนี้สำหรับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่แต่โยมเท่านั้นพระก็ย่งมีสัจจะมีศีลอีกต่างหากมีสัจจะอีกต่างหากนี่ไงวสัจจะแนละธรรมะให้รู้จักข่มจิตข่มใจคนเราในบางทีมันก็มีขึ้นมีลงมีโมโหโกธาอารมณ์มันชั่ววูบชั่ววาบบางทีก็พอได้ยินมาแล้วมันก็ฟุดฟัดขึ้นมาอันนี้ต้องข่มเอาไว้ก่อนพระพุทธเจ้าใ่หให้ข่มไว้ก่อนเอ ธรรมะให้รู้จักข่มจิตข่มใจเอาไว้ให้ฟังดูก่อนให้ศึกษาดูก่อนว่ามันเป็นจริงอย่างที่เราได้ยินมาไหมบางทีอาจจะมีเรื่องยุแยงขึ้นมาเราจะพืดฟัดไปตามที่เขายุแยงขึ้นมามันก็เสียพ่อเสียแม่เสียวงศ์สาขาญาติเสียบิดเสียสหายเสียสามีภรรยาได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะเราขาดการข่มจิตข่มใจของตนเอง ธรรมะให้รู้จักขม่มใจของตัวเองเอาไว้ก่อนฟังเหตุฟังผลซะก่อนไอันนี้สรุปแล้วก็คือให้มีเบลกให้ใจมีเบล็กก่อนที่จะมีเบลกอย่างนั้นทํำยังไงใจต้องได้รับการอบรมพอสมควรนะถ้าว่าใจไม่ได้รับการอบรมเนี่ยมันจะพุดฟาดขึ้นมาเลยอต่ดีกรีมันจะเกินร้อยเลยขึ้นมาแล้วงั้นแตอไฟก็ถ้าเป็นไฟขึ้นมาก็ลุกโชนเลยว่างั้นะแอ่ ร้อนเต็มที่เลยว่างั้นแต่เราได้ศึกษาเอาธรรมะเขาไปข่มแล้วเราจะรู้อันไหนควรไม่ควรอย่างไรแต่ะธรรมะให้รู้จักจข่มจิตของตนจากนั้นให้มีขันตินคือความอดทนอีกขันติคํานี้ก็คือเราทามาหาเลี้ยงชีพทามาค้าขายทำการทำงานจะต้องทนแดดทนฝนจะต้องอดกั้นต่อสิ่งเหล่านั้น บางทีร้อนเราก็อดเพื่อจะให้มันเสร็จหนาวเราก็พยายามให้มันเสร็จหิวกระหายมันจะต้องมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่มีขันติคือความอดทนดูมองดูแลจะสวยงามแล้วก็ไม่เป็นที่ขัด อ, อกขัดใจหรือไม่เป็นที่ไม่สบายใจผู้ที่อยู่ใกล้หือผู้ที่พบเห็นนะถ้าผู้ใดเข้าไปอยู่ใกล้ผู้มีขันติคือความอดทนแล้วอดกั้นแล้ว ถึงจะมีเรื่องอะไรเขาก็อยู่ในจิตในใจของเขาถ้าไม่เรือบากว่าแรงจริงๆเขาจะไม่พูดถ้าพูดออกมาเลยไปว่ามีเหตุมีผลพร้อมอยู่ในนั้นทุกคนก็ต้องยอมรับเขาเพราะว่าเขามีคันติดอ่ไม่ใช่ว่าคนปากพลอยมีอะไรนิดๆห น, น่อยๆก็พลอยโอ้อากไปเลยจนหาความเชื่อถือไม่ได้เขาถูนที่สุดเขาเลยไม่เชื่อถื อ, อไอ้นั้นมันพูดไปอย่างงั้นแหละนิดๆหน่ดดอมันรอโอกอกไปอย่า ง, งั้นเลก็เลยขาดความ นับถือเชื่อถือคนที่ขาดขันติเนะี่ยเรื่องขันตินี่เป็นสิ่งที่จำเป็นบอกวงถึงความนักแน่นของคนคนนั้นอันนี้ก็ให้มีขันติเอาไว้แล้วก็จาค้าจาฆ่านี่คือให้มีมีน้ำใจนะอยู่ด้วยกันอยู่ในเพื่อนมนุษยชาติด้วยกันต้องมีสัจจะต้องมีจาค่าจาค่าคือการเสียสละอันดับแรกก็คือ เราอยู่ในกลุ่มชุมชนใดอันดับแรกเราก็ต้องมองพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะทดแทนพระคุณท่านอย่างไรควรจะเอาทรัพย์สมบัติที่เรา ส, ส, ส, สแสวงหาโดยความยากลําบากเน่ยโดยน้ําพักน้ําแรงของเราเราก็จะบูชาพระคุณท่านได้อย่างไรอาหารการบริโภคจุกจ่าขนมน ม, นมเนยจะตกปัจจัย ให้ท่านมอบให้ท่านเผื่อท่านมีความจำเป็นจะได้ใช้เวลายามฉุกเฉินหรือ ว, ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยขณะที่เราไม่ได้อยู่กับท่านเราก็ได้มอบเงินคำทรัพย์สมบัติให้แก่ท่านเพื่อได้ใช้ออันนี้ก็คือทานะคือการเสียสละจากนั้นก็นเราก็ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องวงศาขนคณญาติให้สามีภรรยาลูกหลานที่มีความจาเป็นจะต้องได้ให้เขา นี่แหละหลักของพุทธศาสนาสําหรับฆราวาสญาติโยม พ, พระพุทธเจ้าสอนกว้างขวางทีเดียวเรียกว่าฆราวาสธรรมธรรมสําหรับฆราวาสญาติโยมสี่ประการสัจะธรรมะขันติจาระสี่ประการแต่จะสอนงวดอื่นๆอีกว่าสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้หลวงพ่อยกมาประเด็นหนึ่ง ในธรรมะรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านอบรมท่านแนะนำสั่งสอนอพวกอุบาสกอุบาสิกาจากนั้นท่านก็เน้นหนักเรื่องศีลศีลห้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรศีลอุโบสถที่พวกเรารักษาเนี่ยมันหิวหิวแล้วก็ตัดกิเลส ท, ทางหู ทางตาลงเราจะไม่ดูกันฟ้อนรําขับร้องเราจะไม่ฟังเสียงร้องรําขับร้องอันนี้ก็คือตัดกิเลสทางตาและทางหูลงเราจะไม่ทานอาหารในเวลาวิกาลคือตัดทางลิ้นลงไม่ให้ติดในรสในอาหารเกินไปแล้วก็อุจจาระไสยณนะเราจะไม่นอนที่นอนอ่น อ, อนนุ่มที่ยัดนุ่นและสำลี พระพุทธเจ้ามาให้นอนพระสงฆ์ท่านก็ไม่ให้นอนใ ห, ให้ประพฤติทางพรมอันนั้นคือตัดกิเลสของพวกเราคือศิลอุโบสถคือศินแปดทวนศินห้าเนะี่คือสินการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องมีกฎต้องมีระเบียบถ้าว่ากฎไม่มีศินไม่มีกฎไม่มีระเบียบต่างคนก็ต่างอยู่มันน่ากลัวนะไม่รู้พิษภัยอะไรจะเกิดขึ้น ไม่รู้ภัยพิษภัยตัวไหนจะเกิดขึ้นจากมนุษย์ชาติไม่มีพิษภัยไหนที่จะเป็นพิษภัยยิ่งกว่ามนุษย์ชาติไม่มีนะถึงจะมีพิษภัยจากเสือสิงกระทิงแรดยังไงก็ตามนะเรายังมีที่หลบที่ซ่อนยังมีสิ่งที่ป้องกันเราจะป้องกันช้างโดยวิธีอย่างไรเราจุดไฟขึ้นมาช้างมันมาใกล้ไหมล่ะมันกลัวไฟเฮ้เสือเข้ามาเราจะกันยังไงเราขึ้นที่สูงซะเราก็การมันได้แต่การมนุษย์นี่ยมันกันยากมาก เพราะนั้นภัยเกิดจากมนุษย์นี่มากมายเอ่ธรรมนุษย์มันมาสู้คนเดียวเนี่ยมันหาหลายคนเนี่ยมันหาหลายคนมันมีจัตตราอาวุธเอ่มันมาสู้กับเราไงเพราะนั้ออนภัยเกิดจากมนุษย์นี่มากมายเพราะนั้นท่านจึงให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้มีศินซะเอ่ถ้าเกดการภัยเราก็มีสินคนนั้นก็มีสินคนนั้นก็มีสินมนุษย์ไม่เบียดเบียนกันนะเห็นกันก็เออต่างคนก็ต่างมีสินไม่เบียดเบียนกัน ต่างคนก็ต่างอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบโลกทั้งโลกก็มีความสงบพรมเย็นเอเพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่สินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจากนั้นท่านก็ให้อบโหรมทางสมาธิาทางสมาธิพยายามทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งทําจิตใจให้นิ่งจุดนี้แหละที่พวกเรามาฝึกที่ไหที่พวกเรามานอนในวัดหรือมาพักที่วัดเนี่ย หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปคุยกันเด้อเวลากลางคืนนะเราหาโอกาสจะน่หาได้ยากมากเราจะนอนที่บ้านของเราฟังวิทยุโทรทัศน์อันนั้นมันเสียงวุ่นวายไปหมดแต่เรามานอนในวัดเนี่ยหามุมสงบแล้วก็จุดไฟฟ้าเอาไว้บริเวณศาลาหนะ้องชั้นเกา่สาสรวาศาลาประชาคมหรือสะพานนะนี่ที่เปิดไฟแล้วถามคูบาข้างนอกเลย ไปเดินจงกรมอยู่นู่นเดินจงกรมหรืนั่งภาวนาถ้าฝนไม่ตกเสร็จแล้วยังค่อยมาพักมาผ่อนน้ำของเราคงมีไม่อดจะอาบเวลาไหนกลางค่ํากลางคืนได้ทั้งนั้นเราจะเดินจงกรมสาลารในคอได้ตรงไหนตรงไหนเดินคนละเส้นทางกันเดินจงกรมจากนั้นก็เปลี่ยนการเดินจงกรมคืออะไรเดินภาวนานั่นเองไม่ใช่ว่าเดินอย่างอื่น เวลาเราจะเดินจงกรมให้เรามีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ใช่ว่าเดินเรื่อยเปลื่ยไปเรื่อยเดินเอามือควอยหลังเดินไปเรื่อยอย่างนั้นไม่ใช่นะเดินจงกรมในะครับว่าเรามีจุดเรามีใบไม้หรือกิ่งไม้อยู่จุดทางจงกรมสองข้างเราเดินไปเอาสักยี่สิบห้าเก้าพอถึงยี่สิบห้าเก้าเราก็เอา ก, กิ่งไม้วางไว้เป็นเครื่องหมาย จากนั้นเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ทูซะก่อนขณะที่ยืนนะยืนเอามือยือน อ, อยู่ในสุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งโดยมากจะหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกหรือหันหน้าไปทางทิศเหนือจากนั้นก็ปนมมือไหว้ทูซะก่อนพุทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆทราบจบในใจนะไม่ต้องพูดออกปากหรอกจากนั้นเราก็ก้าวขาขวาพุทธ ขาซ้ายโถมีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินแต่เราเดินแบบธรรมดาธรรมดานะไม่ต้องเดินช้าทางเบินช้ามันเวียนศีรษะเดินเหมือนกับเราเดินไปบินทบาทหรือเราเดินไปทําการทํางานอย่างนั้นกนะ้าวเดินธรรมดาแต่ให้มีสติในการก้าวเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุท โ, โถไปเรื่อยเยนะพอไปถึงเก่งไม้สุดทานยักรมเราก็หันกับพอหันกับ เราก็ยืนแล้วก็ก้าวขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทธโถพุทธเราจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาแต่ตามไม่จริงหมุนขวาได้ก็ดีถ้าหมุนซ้ายก็ได้ไม่ผิดดังนั้นแต่หมุนขวา ก, ก็คือพระทักษิณพระทักษิณสามรอบนะครับพระทักษิณเวียนพระทักษิณคือเวียนขว า, าเราจะหมุนขวาก็ได้จากนั้นก็ขาก้าวขาขวาพุทธขาซ้ายโถ มือของเรานะให้อยู่ในระหว่างท้องท้องน้อยอะเอามือประสานกันเอามือประสานกันมือขวาทับมือซ้ายเะมือนกันแล้วก็นั่นแ่ะอย่าไปควยหลังอย่าไปกวยแขนอย่าไปกอดอกค่ะเวลาแต่ยังกลมเนียอันนี้คือหลวงพ่อสอนคือสอนแนวแถวหลวงปู่มั่นแต่หลวงพ่อไม่ทันหลวงปู่มั่นหรอกแต่หลวงปู่ล่าที่เป็นหลวงพ่อเป็นเนน้อยบวดเข้ามาท่านก็สอนล่ะ สอนเน้นน้อยให้เดินยังกลมเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองก็ยึดตามแนวแถวที่หลวงปู่หลวงปู่ท่านก็เดินอย่างนั้นให้เห็นอทุกวันทุกวันทุกวันเลยเอท่านเดินยังกลมตอนค่ําตอนดึกบางทีสามสี่ทุ่มท่านยังเดินยังกลมจุดไฟเดินยังกลมอยู่หลวงปูล่ลาบางทีตีสามตีสี่ลุกมาท่านนั่งเหนื่อยแล้วก็ลุกมาเดินยังกลม เ, เวลาท่านเดินก็ท่านก็ไม่เห็นเอามือคอยหลังทุกครั้งเลย ก็อามือวางในระหว่างท้องของท่านเนะี่ยที่สะดือของท่านนะเอามือขวามาขอดมือซ้ายโปะข้างหลังอไอจากนั้นท่านก็เดินภาวนาของท่านพุทธโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยของท่านหือท่านจะพิจารณาอะไรกรสุดแท้แต่เพราะว่าอันดับแรกนะอยากเราอยากจะให้จิตสงบใจของเรานิ่งหรือใจของเราสงบต้องภาวนาขาขวาพุทขาซ้ายโธอย่างที่ว่าพุทธโธพุโทโธพุโทโธ เดินนานเท่าไรานานเท่าที่จะนานได้จนเหนื่อยเหมือนกันแหลพอเหนื่อยเสร็จแล้วเราก็ระหว่างเาดินอยู่สุดทางจงกรมจุดข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ไหว้ครูอีกอย่างเก่านะพุทโธธรมโมสังโฆสามจบาจากนั้นก็แผ่เมตตาเออเข้าไปเจ้าได้เดินจงกรมในวันนี้ได้ภาวนาในวันนี้ด้วยบุญกุศลที่เข้าไปเจ้าได้เดินจงกรม ได้ภาวนาเนี่ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพ่อแม่ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายดวงวิญญาณใดก็ตามที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าขอให้ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าด้วยเทอนินนะจากนั้นเนค่ อ, อ, าา ย, อยออกมาจากทางเดินยมกลมพอเดือออกจากทางเดินยมกลมเสร็จแล้วก็ขึ้นไปไหวพระเนียไหวพระย่อกระไรนะลหาหังสวากาโตสุปฏิปันโน แล้วก็นโมตัสะพะคะวะโตสามจบระลึกนอบน้อมพระพุทธเจ้าจากนั่งกัพุทธทางธรรมังสังขังยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชรณะเป็นที่พึ่งจากเราสวดได้กับนัตติเมชรนางอัญญ์ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชรณะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าจากนั่นก็นั่งปนมมือแผ่เมตตาถึงทุกครั้ง ควรจะมีการแผ่เมตตาด้วยนะแผ่เมตตาทํำยังไงแผ่เมตตาถ้าท่านสวอาหางสุกิโตมิขอข้าไปเจ้าจงเป็นฉุกนะสัพเพสัตตาสุกิตาหุนตุขอสรรพสัตว์ทางหลายจงเป็นฉุกนะ่ะอันนี้ก็คือท่านสวดเป็นภาษาบาลีแต่เราใช้ภาษาใจของเราเนะี่ยทดลองใช้ภาษาใจของเราซิเป็นยังไงคือเราปรนมมือพอไหว้พระจบแล้วเราก็พนมมือนึกในใจแล้วว่า เข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลต่อดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างญาติมิตรสหายทั้งหลายทั้งปวงและข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาต่อต่อวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงด้วยเข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นจัดอื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา ข้าพเจ้าจะไม่จองเวรจองกรรมกับใครๆทั้งหมดวิญญาณใดก็ตามผูกอาคาดพยาบาทจองเวรกับข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีอโหสิหรือว่าให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยถ้าข้าพเจ้าได้ลวงล้ำลวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นแต่ก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเป็นสุกอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการด้วยเทินเพียงแค่นี้ละพอละแปลว่าเราไหว้พระ แหมชนะเสื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นเราก็นอบน้อมแล้วก็ยึดพระไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจารณะเป็นที่พึ่งจากนั้นเราก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแแล้วก็ไม่จองก ร, รมจองเวงกับใครๆทั้งหมดนี่แหละอันนี้แหละดีถูกต้อง เ, ออเพียงแค่นี้พอจากนั้นเราก็นั่งภาวนาเลยเนั่งภาวนานั่งสมาธิเ อ, อ พอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วปันน ม, มือเนี่ยว้ครูอีกพุทโธธโมสังโฆพุทโธธโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงพอลงมือลงเรากําหนดลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทําเมื่อเราเดินเมื่อเราเดินเราก็กําหนดกับข้ากับขาของเราก้าวขาเดินขาขวาพุทขาซ้ายโทแต่เมื่อเรานั่งเราก็กําหนดลมหายใจเข้า หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทธโทพุทธโทพุทโทอันนี้คือวิธีกรรมถ้าหาวจิตใจของเรามันปรุงออกไปมมันออกไปเราก็พยายามดึงกลับคืนมาหากรรมฐานที่เรากำหนดไว้ถ้าเราขณะที่เรานั่งมันเผลอไปแอมพอมีสติคืนมาเอ้ยมันเผลอไปวะเราก็ต้องดึงกลับมาหาลมอีกกาหนดใจลมหายใจเข้าออก ถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความพยายามที่จะทําจิตใจให้สงบอยู่มันเผลอไปแล้วก็ดึงกลับมาเผอไปดึงกลับมาพบต่อไปต่อไปสติสัมปชัญญะสติของเราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆทีนี้ในเมื่อวิตสติของเราเข้มแข็งเลยพอมันจะกระดุกกระดิกมันจะออกนะเราจะรู้อสติของเราทันมันแล้วทีนีอ้อันนี้ก็คือวิธีการที่จะทําจิตใจให้สงบนะ นี่แหละถ้าว่าวันไหนเรานั่งภาวนาจิตใจของมันใจของเราไม่อยากจะคิดใจวันนี้รู้สึกมันอยากจะสงบแว้ยแล้วเราก็เอาเข้ากรรมาฐานให้มันสงบเลยกำหนดให้มันสงบเลยพทุพโทพโธพุทโธพุทโธไม่ต้องคิดไปทางอื่นแต่วันนี้โอ้รู้สึกว่าใจของมันใจของเราเนะรู้สึกว่ามัมนเหมือนกับมีอารมณ์วกแฟก บังคับคงมาอยู่ในแนววันนี้เราก็พิจารณาเลยพิจารณาให้กําหนดดูกระดูกของตัวเองเอเราเคยเห็นกระดูกที่ไหนเราก็ดูกระโหลกของเราเองกระดูกของเราเองกระโหลกศีรษะไปยังไงกระดูกเม่าตาไปยังไงกระดูกจมูกไปยังไงกระดูกขาขั้นไกลกระดูกฟันไปยังไงดูกระดูกทนเองเอันนี้คือพยายามถ้าว่าเราจิตใจของเรา มันคิดจะปูงฟุ้งออกไปข้างนอกให้มันอยู่กับกายให้อยู่กับร่างกายให้มันอยู่กับกระดูกของตนเองเนีะแยกส่วนแบ่งส่วนดูให้ดีฮะเนี่แหละบังคับให้มันดูในกระดูกไม่ให้มันออกไปที่อื่นนี่แหละวิธีการประพฤติปฏิบัติต่อไปในเมื่อเราเห็นกระดูกย้อนหน้าย้อนหลังดูถึงถึงฟ้าเท้าระดับขยับขึ้นม า, าไม่จ้องวาดกี่ครั้งเอาเป็นร้อยครั้งมัน แล้วจากนั้นมาเราเห็นกระดูกท่อนไหนในร่างกายของเราเนี่ยเห็นชัดเจนในความรู้สึกเอาสติจับอยู่ตรงนั้นอืมจออยู่ตรงนั้นกําหนดอยู่ตรงนั้นเอกระดูกท่อนนั้นนี่แหละจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้เพราะจิตใจของเราไม่ไม่ปรุงปรุงไปทางอื่นนะอันนี้ตามแนวแถวของหลวงตาท่านพูดในหนังสือจังหวปัญญาอบรมสมาธิอันนี้ก็ได้ผลนะ อได้ผลเราทํานี้เพราะเหตุว่าเพราะเรากําหนดไปกําหนดไปมันก็เหนื่อยล้าเหมือนกันนะเออมันล้าเหมือนกันนะเพราะมันคิดออ่ะเจากนั้นมัน ก, มนก็มันก็อยากจะพักผ่อนเหมือนกันเมื่อเราจอ่ออยู่ในจุดใดจุดหนึ่งจิตของเรากจ็จะเข้าสู่ความสงบนิ่งสงบนี่แหละหลวงพ่อว่าคณะสัทธา ย, ยาโยมเอพระ สงหรือพระเนนพระของเราทุกองค์หรือคณะสถาน ญ, ญาติโยมที่ฟังหลวงพ่อพูด อ, อยู่เดี๋ยวนีเ้เพียงทำจิตใจให้สงบได้สักครั้งหนึ่งในพรรษานี่หลวงพ่อว่าคุ้มค่านะแต่ไม่เหลือวิสัยถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ อ, อดนอนบ้งางดิทดลองดูสิเดินโยกบ้าแต่ละวันน่ทดลองดูนั่งภาวนา น, นั่งให้นานๆดู นั่งคนละมุมกันอันดับแรกอย่างที่มานั่งมานอนวัดอย่างนี้เออเรามีขอวิทยุจากครูบาไปเพราะเรามีสถานีวิทยุเด็กนี่กําลังเปิดอยู่เนี่ยหลงตากําลังเปิดตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไปจนถึงตีห้าหลงตาจะเทศที่ตลอดเลยเสียงกลางฟังชัดอีกต่างหาก เ, ออเราคนนั่งด้วยกันอยู่ในกุฏิหรือว่าอยู่ในร้านเล็กๆอยู่ในห้องไม่มียุง่ จากนั้นก็เปิดเบาๆแล้วก็นั่งคนละมุมกันนั่งขัดสมาธิก่อนที่จะนั่งกัพอเปิดขึ้นมาแล้วก็นปนมมือไหว้ครูอย่างที่ว่าเจ้าก่อนจากนั้นก็นั่งฟังเลยนั่งคนละมุมกันฟังเทศหลวงตาอบรัหลวงตาอบรมพระท่านอบรมอย่างไงถึงจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเราก็ไม่เป็นไรต่อไปมันจะเข้าใจเองในเมื่อเรา ประพฤติปฏิบัติไปแล้วมันจะเข้าใจมันจะลึกซึ้งในใจในขณะที่ใหม่ๆเราต้องพยายามให้มันฟังให้มันจบกันนั่งกุรอข้างกันเวลานั่งฟังเทศเราจะไปฟังจดจอ่อจะไปจําคําท่านพูดว่ายังไงเราไม่ต้องไปจดจ่อถึงคําพูดนั้ให้สติอยู่ที่ใจของเราอยู่นิ่งอยู่ที่ใจของเราเนี่ยพอท่านพูดออกมาให้มันผ่านหูเข้าไปเราเข้าใจ พอผ่านหูเข้ามาเราเข้าใจไม่ต้องจำนะอันนี้แหละฟังเทศกันฟังเทศเป็นเนี่ยใครท่านฟังเข้ามาพอเข้าใจหยุดเอไม่ต้องไม่ต้องจําพอฟังเสร็จแล้วเราไม่ต้องจําเราเข้าใจใเข้าใจในใจของเราในขณะที่ท่านเทศใ น, น, นขณะนั้นขณะนั้นขณะนั้นขณะนั้นนี่แหละอันนี้เราฟังเทศเพื่อหวังผลหวังเราฟังเทศเพื่อหวังความสงบเราฟังเทศเพื่อหวั ง, วงความพ้นทุกข์ ่พระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านฟังเทศเนี่ยท่านไม่ได้ฟังบอกพระพุทธเจ้าพูดแล้วท่านจะจำเอาไปเทศไปสอนคนอื่นไม่ใช่นะอท่านพระพุทธองค์เทศให้ฟังท่านก็เข้ามาอยู่ในจิตใจของท่านเลยท่านก็พระพุทธองค์พูดตรัสเรื่องอะไรท่านก็จะจําแก้ที่ใจของท่านใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อยู่ในใจของท่านจิตใจของท่านก็เข้าสู่ความสงบจากนั้นก็พระพุทธเจ้า นี่นะถ้าเป็นลักษณะ น, นั้นจะยึดเป็นของเราได้ยังไงเกิดความเบื่อหน่ายพลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในพระอริยะสงฆ์เหล่านั้นถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็จะเป็นอริยะบุคคลในการฟังธรรมมีมากต่อมากในครั้งพุทธการไม่แพ้การปฏิบัติอย่างอื่นพระพุทธองค์ไปเทศบางทีพระทั้ง500ได้สําเร็จเป็นพระอรหันพร้อมกันทั้งหมดในการเทศในการแสดงธรรมแต่ละครั้ง พระสงฆ์ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลคณะศรัทธาญาติโยมที่ฟังก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลก็มากต่อมากในการฟังเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะเรื่องฟังอหลวงพ่ออยากจะให้ฟังอะเปิดวิทยุขึ้นมาแล้วก็ฟังจะนั่งกระดับนะทีพอฟังสักการหนึ่งแล้วก็ดับพอดับเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาต่อพอเหนยแล้วก็ลงไปเดินยังกลมอถ้ามันเหนื่อยจริงจิงไม่ไหวก็พักพรนะ ไม่ใช่ไม่ให้พักผ่อนพักผ่อนแต่ถึงยังไงอย่าไปหานอนมากเกินเกินไปเพราะเรามาสู่วัดวาศาสนามาเพื่อปฏิบัติธรรมมาเพื่อศึกษาธรรมะมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิิตเข้าสู่ใจของเรามาคราวนี้มาเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นมาเพื่อปฏิบัติธรรมมาเพื่อฝึกฝนทางด้านจิตใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนทุ ก, ท, กทุกท่านนะ นี่แหละวิธีการปฏิบัติโดยยังกรมเดินยังไงเวลานั่งนั่งยังไงหลวงพ่อได้สอนมาเป็นระยะระยะมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่แต่คราวนี้หลวงพ่อก็ได้สอนพวกที่รุ่นใหม่หรือว่าพวกเข้ามาแล้วได้ฟังไม่ชัดข่าวก่อนคราวนี้ก็จะได้ฟังให้จําจดจําให้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมข่าวก่อนๆเราได้ฟัง แต่ไม่เข้าใจแต่คราวนี้เราฟังอาจจะชัดเจนแต่ฟังอีกคราวหน้าอาจจะชัดเจนยิ่งจิงงกว่านี้อีกไงเออเพราะเราผู้ฟังทำมยม่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นแล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของเราเมื่อได้ฟังธรรมะใจของเราก็จะได้รับความ สงบเยือกเย็นผ่องใสนี่แหละในการฟังธรรมเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะรัดธาญาติโยมเนอะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้สั่งสมบุญกุศลอย่างที่หลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกพวกเราตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเนี่ยวันนี้ค่ะมีพระที่มาอยู่จำบรรษาแม่ตายแม่อายุเก้าสิบกว่าปีซึงสัตหะไปตอนเย็นวันนี้ญาติพี่น้องมารับ บ่าแม่ตายนั่นแหละข้าวก่อนก่อนญาติพี่น้องของพระตายอีก เ, อเรื่องตายมันได้ยินจุด เ, เกือบทุกวี่ทุกวันลวเลยว่างั้นเถอะญ๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้นตายญาติพี่น้องคนนั้นตายยกญาติพี่น้องคนนี้ตายเมื่อกี้เนี่ยกันนะมีลูกศิษย์ออยู่ทางกรุงเทพเคยบวชที่นี่เมื่อสองปีให้หลังตัวอ้วนพ้นสมบูรณ์อทํางานเกี่ยวกับ อะไรโคงการหลวงเป็นผู้มีสติปัญญาที่เดียวเลยว่างั้นแต่พระนริชุ ด, ดพอนอนไปแล้วก็ไม่ตื่นเพิ่งได้ทร า, าบข่าวในวันนี้อีกนี่แหละเรื่องความตายเนี่ยมพวกเราอย่าไปไว้ใจที่จะไปชะล่าใจหรือจะไปนอนใจตะคคิดว่าตัวเองจะไม่ตายไม่ได้นะต้องเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอนี่แหละพราะพระพเจ้าเทวนวดอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้เตรียมพร้อมมาไว้ น, ะ, นะไม่ว่าหนุ่มว่าแก่ตายได้ที่กรุงเทพที่หลวงพ่อทราบในวันนี้กั น, นี้นยังเด็กหนุ่มอยู่นะอายุเพียงสามสิบกว่าปีเองนหน้าตาขอรูสึกว่าคนมีกำลังแข็งแรงที่มาบวชกับหลวงพ่อแล้วก็ไปแล้วแต่ผู้อายุเก้าสิบกว่าปีที่เป็นแม่ของ พราเนี่ยเออก็ไม่ว่ากันอายุมากแล้วแต่อยู่เป็นร้อยร้อยพันพันปีได้ยังไงเกิดมาตายนงแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งด้วยกันเท่านี้แหละนะพวกเราจะเอาอยัางไงสบายใจหรือยังเป็นที่พอใจหรือยังเป็นที่ภาคภูมิใจหรือยังที่ตรงเราที่เราจะไปนะั้นถึงที่หรือยังแต่ท า, าไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ได้เป็นพระหรหันเนี่ย พวกเราไม่ควรจะนอนใจนะควรจะเตรียมพร้อมควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราถ้าพาพวกเราถึงขั้นสุดท้ายแล้วเออไม่ว่ากัน เ, เป็นอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วว่างั้นถ้ายังเป็นเสขะยังผู้ยังยังเป็นผู้ศึกษาอยู่นะเนี่ยต้องลงมือปฏิบัตินะพวกเรานะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะ เชื่อฟังทำคําสั่งสอนของพระแม่ครูบายจานว้ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เมตตากับพวกเราท่านทั้งหลายและท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรท่านพูดแล้วก็จบอย่างนี้ที่หลวงตาท่านให้ธรรมะในวันนี้ในเมื่อท่านให้จบแล้วท่านก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากเราเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่ท่านหลวงตาแนะนําสั่งสอน ความสงบร่มเย็นเป็นจุกก็เกิดขึ้นมาในตัวของเรามีความสุขในตัวของเราเรามีความสุขในตัวของเราแล้ขนานดะผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงด้ดนแล้วจะไม่เป็นพิษเป็นภัยความร่มเย็นเป็นจุกท่วนหน้ากันนะนี่แหละทำคําสอนของอที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินี่ให้ความร่มเย็นเป็นจุขอในการ สถานที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเลยเหมือนกัน่ะกับใครๆก็มีมีแต่ความสุขไม่เกิดไม่ร้อนไม่ฝักแวงแขงใจกัน อ, อยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็มีแต่เมตตาต่อกันมีน้าใจต่อกันขาดเหลือขาดตกอะไรช่วยกันนะในการพูดการแนะแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวล า, ารู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะหลวงพ่อวันนี้กราบล้งตาม า, มาถึงตอนคำคำ ต่อนนี้ไปก็ให้พวกเรานั่งสมาธิจากชั่วระยะหนึ่งแล้วะคอยแยกย้ายกันนะที่นี่นะ